ขอถวายความเคารพพระเทรานิเทระแล้วขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านขอโนมโมนานาที่ทุกท่านได้มาร่วมกันเจริญกรรมาฐานได้ทราบว่าก็ได้ปฏิบัติมาเกือบครบคอสนะะพรุ่งนี้ก็จะได้กลับ เชื่อว่าเราทุกคนในที่นี้นะก็ล้วนปรารถนาความสุขอยากพ่างไกลจากความทุกข์นเป็นเพราะความปรารถนาอยากได้พบความสุขนะเราก็จึงแขันคะันแข็งในการทำงานทำมาหากินแม้กระทั่งการที่เรา ศือสีนทำความดีนะรวมทั้งมาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะก็เพราะปรารถนาความสุขจากทางไกลจากความทุกขนะ์หลายคนมาวัดนะมาทำบุญนะก็เพราะปรารถนาความสุขเพราะเชื่อว่านะถ้ามาทำบุญแล้ว ก็จะได้โชคได้ลาภนะได้ความมั่งมีหรือว่าอาศัยอานิสงส์แห่งบุญนั้นช่วยปกปักรักษาให้ห่างไกลจากความทุกข์จนวนไม่น้อยก็มาวัดก็พะอยากจะมาขอหวยจะได้รวยเบอร์ความสุขที่ผู้คนปรารถนาเนี่ย สนใหันก็หวังว่าจะเกิดจากการที่เรามีทรัพย์สินเงินทองมีโชคมีลาภรวมทั้งสมัยนี้ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ทุกวันนี้คนเราก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายมีทรัพย์สมบัติเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนมากกว่า สมัยพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายของเราเสอีกย่แล้วก็ตาเนี่ยความสุขที่ผู้คนได้รับเนี่ยส่วนใหญ่มาเป็นความสุขกายนะเป็นความสุขกายแต่ทุกวันนี้เนี่ยแม่ผู้คนมีความสุขกายมากกว่าแต่ก่อนเยอะแต่ว่าความทุกข์ใจก็ยังมีอยู่ และอาจจะมากกว่าแต่ก่อนด้วยหลายคนเนี่ยนะคิดว่าความทุกข์ใจเนี่ยเกิดจากเรายังมีมากไม่พอนะยังไม่มีรถยังไม่มีบ้านหรือว่าทุกข์ใจเพราะว่ามีคนชอบตำหนิ มีคนดินทาว่าร้ายหรือแม้แต่ขนาดนี้หลก็จะทุกข์ใจเพราะอากาศร้อนอบอ้าวที่จริงเนี่ยความทุกข์ใจเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่เพราะเหตุที่กล่าวมาทั้งหมดนี่หรอกนะคนส่วนใหญ่ทุกข์ใจเพราะความคิด ทุกใจก็ความคิดอย่างโยมตอนนี้ฉันนั่งอยู่เนี่ยนะถ้าคิดไปถึงลูกที่กำลังหาที่เรียนหรือว่ากำลังวิ่งเต้นเพื่อจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือว่านึกถึงพ่อแม่ที่กำลังป่วยพอนึกแค่นี้ใจมันร้อนเลยนะใจมันวิตกเลย หรือบางคนอาจจะนึกถึงคนที่เขาต่อว่าเรานะเขาใส่ร้ายเราเขานิ้นทาเราเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วพอคิดแค่นี้นี่ใจมันร้อนเลยนะถ้าไม่คิดนี่ใจก็ไม่ทุกข์นะ แต่เพราะเราคิดคิดถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วแล้วก็อดีตที่ว่านี่คืออดีตที่เจ็บปวดสูญเสียถูกต่อว่าดาทอผิดหวั ง, ท, งทันทีที่คิดนี่ทุกทุกเลยถึงแม้จะยังอยู่ในห้องแอร์ก็ตามหรือว่าพอคิดถึง งานการที่ยังค้างคาอยู่นึกถึงหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระได้กำหนดผ่อนหมด้วทุกขึ้นมาทันทีที่จิงไม่ต้องอื่นไกลนะสมมุติว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่วันที่หกนะแต่เป็นวันที่สนะิบหกเนะี่ยหลายคนก็พอนึกถึงว่าเดี๋ยวก็จะมีการประกาศเลขกบตเตอรี่นะ แต่ว่าตัวเรายังอยู่ตรงนี้ใจมันร้อนเลยนะใจมันกังวลเลยนะนอยากจะออกจากนี่ไปเปิดวิธิวว่าเลขสองตัวสามตัวเนี่ยงวล น, นี้ออกเลขอะไรมันทุกเลยนะนี่ระหว่างทุกข์กับความคิดไม่คิดก็ไม่ทุกนะ ส่วนใหญ่คนเราเนี่ยทุกข์เพราะเหตุการณ์ที่มันผ่านไปแล้วหรือว่านึกถึงเหตุอนาคตเที่ยงมาไม่ถึงบางคนเนี่ยหมอนัดไปตรวจนะห ม, น ห, นจนนหมอนัดไปรับผลวันจัเนี่ยหมอนัดไปรับผลการตรวจชิ้นเนื้อการเอ็กซเรย์ พอนึกไปข้างหน้าว่าเนี่ยเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยหมออาจจะมาบอกว่าเราเป็นมะเร็งปอดเป็นมะเร็งตับพอคิดแค่นี้นะใจมันสั่นเครียดขึ้นมาดีนะบางทีปวดหัวเลยถามว่ามันเกิดขึ้นหรือยังยังไม่เกิดนะแต่นึกไปแล้วนึกไปล่วงหน้าแนละ้ว คนร้นเนี่ยทุกข์เพราะความคิดทุกข์เพราะใจไม่อยู่กับปัจจุบันใจไปไปติดอยู่กับอดีตไปกังวลพะวงถึงอนาคตและบ่อยครั้งเราก็ซ้ำเติมตัวเองนะมีคุณป้าคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนจะโทนก็เจ็บป่วยอยู่อัดออเข้าๆออกโรงพยาบาลอยู่หลายครั้ง ไม่ทราบเป็นอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งก็หมอก็มาแจ้งข่าวว่าป้าป้าเป็นมะเร็ง น, นะเป็นมะเร็งตับด้วยอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนจะตกใจมากเลยนะกลับไปบ้า น, นกินไม่ได้นอนไม่หลับนะหมดอะไรตายอยากกับชีวิตนั่งเจ้าจุกแล้วก็ซุดลงไปเรื่อยๆบอกกัว่าแค่สิบสองวันแกก็เสียชีวิต ถามว่าเสียชีพเพราะอะไรเพราะมะเร็งมันลุกลามเร็วไปจนถึงสมองไปถึงกระดูกไปถึงอวัออยวะสําสคัญหรือเปล่าสิบสองวันเนี่ยเนื้อร้ายเนี่ยมันไม่ลามเร็วไปถึงขนาดนั้นจนทําให้ตายได้หรอกแต่ตายเพราะใจมันหอยเหี่ยวเพราะว่าไปคิดว่าโอ้อีกสามเดือนขน้างหน้าฉันจะตายด้วยหรือเนี่ย คิดไปถึงเห็นสภาพตัวเองอยู่ในโรงพยาบาลสายรโยงรงพยายา น, นึกไปถึงลูกว่าจะอยู่ยังไงนึกถึงทรัพย์สมบัติว่าจะจัดการอย่างไรหรือว่านึกถึงเงินทองว่าเนี่ยจะมีเงินค่ารักษาไหมอาจจะนึกถึงความเจ็บความปวที่จะตามมาทั้งหมดนี้ไม่เกิดขึ้นเลยนะแต่นึกไปแล้วพอทึกไปแล้วนี่เป็นไง ใจมันห่อเหี่ยวแล้วก็ตายเลยนี่เรียกว่าไม่ได้ตายเพราะมะเร็ง น, นะนะตายเพราะความวิตกกังวลวิตกกังวลเรื่องอะไรเรื่องอนาคตข้างหน้าไอ้ความคิดนี่มันทําให้เราถึงกับตายได้นะคนที่คาดตัวตายเนี่ยหลายคนเขาก็มีสุขภาพดีนะแล้วก็ไม่ได้อดอยากอะไร จะเรียกว่ากินอิ่มนอนอุ่นก็ได้แต่พอรู้ว่าธนาคารจะมายึดบ้านจะมายึดรถตัวเองนี่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แต่ว่าไปทําธุรกิจคิดพลาดล้มละลายก็นึกภาพไปแล้ ว, ว่านหนึ่ฉันจะอยู่ยังไงเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เคยมีหน้ามีตาแต่ว่าจะไม่มีรถขับ จะมีมีบ้านหลังใหญ่อยู่คิดไปปรุงแต่งไปว่าเขาจะมองเราอย่างไรนะเป็นเครืักรชั้นผู้ใหญ่จะไม่มีสิ่งเหล่านี้อย่างนี้ตายดีกว่าฉันอยู่ไม่ได้หรอกแล้วฆ่าตัวตา ย, ยาจริงๆอันนี้เรียกว่าตายเพราะความคิดคิดปรุงแต่งถึงสิ่งที่ยังไม่ไม่เกิด หลายคนก็เป็นอย่างนี้นะความดันขึ้นนะเป็นโรคหัวใจเพราะว่าเป็นคนชอบวิตกกังวลนะเรื่องที่ยังไม่เกิดบางทีทุกข์เพราะการปรุงแต่งนะปรุงแต่งมีโยมคนหนึ่งลาลห้ฟังเนะพิ่งมาบวชแจกก็เล่น Facebook เป็นประจำนะรูดจัก Facebook มมโยมนะ ก็มักจะหาเรื่องหาข้อความหาภาพถ่ายเนี่ยเอาขึ้นเฟซนะเวลามีคนชมนะกดไลค์แกก็ดีใจนะแต่เวลาเพื่อนบางคนซึ่งกดไลค์เป็นประจำเนี่ยคราวนี้ไม่กดไลค์แล้วแกเครียดเลยนะแกะคิดไปแล้วไอ้ข้อไม่พอใจอะไรเราราลกเ ป, ปล่า เพราะโกรธอะไรเราหรือเปล่าถือไม่กดไลค์ต้องพยายามไปสอบถามเรียกเรีเคียงว่าเฮ้ยเธอมีอะไรไม่พอใจฉันไหหรือว่าคุณมีอะไรที่ขุ่นเคืองใจฉันหรือเปล่าต้องไปสอบถามนะเพราะว่าไปปรุงแต่งล่วงหน้าเนี่ยเขาคงไม่ชอบเลยเราบังคงเกลียดเราบังถือไม่กดไลค์ นี่เราทุกข์นะเพราะการปรุงแต่งบางทีเห็นคนเขาสองคนเขากระซิบกระราบกันนะก็ทุกข์ละเพราะคิดว่าเขานินทาเรานะบางทีเขาอาจจะกำลังคุยกันอาจจะกำลังวางแผนนะจะจัดเซอร์ไพรส์นะให้กับเรานะเพราะวันเกิดใกล้มาถึงแล้วนะเขาก็เลยกระซิบกระราบกันไม่ยให้เรารู้ แต่เราเห็นเนี่ยเราคิดว่าเขาเนี่กกำลังดินทาระ เ, เราเป็นอย่างนี้บ่อยไหมอันนี้เราว่าทุกข์เพราะความคิดเหมือนกันนะเครียดนะเราไม่ได้ทุกข์เพราะเหตุอื่นนะเราไม่ได้ทุกข์เพราะแดดร้อนเราไม่ได้ทุกข์เพราะคนมาดิ้นทาว่าร้ายเราแต่เราทุกข์เพราะความคิดที่มันวางไว้ผิดที่ ไปยึดติดกับอดีตบ้างอนาคตบ้างนะหรือแม้ก็ปรุงแต่งนะไปในทางลบทางร้าย <c oughs> รวมทั้งใจที่ยึดติดถือมั่นนะในสิ่งที่มันไม่ควรจะยึดก็ได้คนเราเนี่ยเราไม่ได้ยึดติดถือมั่นกับสิ่งที่ให้ความสุขกับเรานะสิ่งที่ทำความทุกข์ให้กับเราหรือสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็ไปยึดนะ มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับหลวงปูบนะงป่บุดานนะหลวงปู่บุดานท่านเป็นพระที่เรียกว่ามีผู้คนครบนะักถือมากโดยเฉพาะทางภาคกลางท่านมรณะภาพไปแล้วเมื่อปี36นะตอนที่มรณาภาพก็อายุหนึ่งร้อยปีเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นมาสัก 50-60 ปีได้ก็คือว่ามีคราดึงท่านดังนิมนต์ให้ไป เขาถวายก็จะเลี้ยงพระานกะ็นิมนต์ท่านไปที่กรุงเทพเจ้าพระนี่ก็ถวายอาหารท่านพอท่านฉันเสร็จนะท่านก็จะกลับวัดแต่ยโยมเนี่เห็นว่าท่านอายุมากแล้วแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยจากกรุงเทพไปสิงห์บุรีซึ่งเป็นวัดของท่านเนี่ย มันใช้เวลานานทางก็ไม่ดีก็เลยนิมนต์ให้ท่านเนี่ยจำวัดนะหลังสักหน่อยก่นอนหาห้องให้ท่านนะเป็นห้องที่อ่าโลง่ลงๆก็มีลูกศิษย์ดูสี่ห้าคนมานั่งเป็นเพื่อนเวลาลูกศิษย์จะคุยกันก็น ก, ก, กระซิบกระซาบเพราะเกรงว่าหลวงพ่อหรือปูอ่ท่านจะท่านจะตื่น แต่บางเอินห้องที่ติดกันเนี่ยนะมันเป็นห้องแถวนะมันก็เป็นร้านโชว์หวยหรือร้านขายของชําเจ้าของเป็นคนจีนนะเป็นอัมมาอาซิมคนจีนสมัยก่อนเนี่ยเขาสวมเกียเกี๊ยไม้นะยังไม่มีรองเท้ายางรองเท้าพลาสติกก็เวลาอาซิมเนี่ยขึ้นลงบันไดหรือว่าเดินเนี่ยเสียงก็จะดัง ก็ดังเข้ามาถึงในห้องที่หลวงปูดด่ด่าจำวัดอยู่รู้สึกก็ไม่พอใจเนะี่ยก็มีคนนั้นพูดขึ้นว่าเนี่ยเดินเสียงดังจังเลยไม่เกรงใจกันเลยหลวงปู่นี่ท่านหลับตาแต่ว่าท่านได้ยินนะท่านก็เลยพูดไปเปลย์ขึ้นมาเบาวๆว่าเขาเดินเขาอยู่ดีๆเรากู่ไปลองเกีย้ยเขาเองนะไม่ชอบเสียงเกีย้ยใช่ไหมแต่ทําไมอปู่ไปลองเกีย้ย คนเราเนี่ยเวลามีเสียงดังแล้วหงุดหงิดนะเรามักโทษเสียงเสียงมตอร์ไซ์เสียงคนร้องเพลงหรือว่าเสียงหมาเห่ากัดกันแต่ทีจริงมันไม่ใช่เพราะเสียงหรอกแต่เป็นเพราะใจเราเนี่ย มันไม่อยู่เฉยใจเรามันหาเรื่องไปจดจ่ออยู่กับเสียงนั้นเสร็จแล้วพอทุกความมงหมาขึ้นมาก็ไปทอดเสียงแต่ลืมดูใจของตัวเองเวลาเขากำลังตีตะปูช่างก็เอาคอนเนี่ยนะตีตะปูเสียงดังหลายคนก็เพอเอาหูไปลองตะปูนะเอาหูไปลองคอน แล้วพอทุกข์เนี่ยก็ไปโทษช่างว่าตีตะปูเสียงดังที่จริงเป็นใจของตัวเองลังหากใจที่ไปจดจ่อใจที่อาไปรองเกี้ยนะบางครั้งเนี่ยเราก็ทุกข์ก็ใจที่มันดิ้นรนผักใสใเวลามันเกิดอะไรขึ้นมา เราไม่ชอบไอการที่ใจเราเนี่ยไปผักใสสิ่งที่กระทบทางตาก็ดีทางหูก็ดีเนี่ยตรงนี้แหละนะที่มันทำให้ทุกข์มันไม่ชอบกาบสิ่งอื่นเลยนะเปรียบก็เหมือนกับลิงนะลิงเนี่ยลิงเนี่ยมันไม่ชอบกับปินะ เวลามือเนี่ยหรือนิ้วมันไปถูกกรปีเนี่ยเพราะว่าอาจจะมีคนโยนข้อเหนียวยัดไส้กรปีนะให้มันนะมันได้ข้อเหนียวมันก็กินนะกินถึงรู้ว่าข้างในเนี่ยมีไส้กระปีมันก็กะปีก็ติดมือทางทีติดนิ้วหรือติดปากกรปิลิงไม่ชอบมันจะทำยังไงนะพอกรปิ ติดนิ้วมันมันก็จะเอานิ้วเนี่ยถู ก, กับเปลือกไม้ถูกระต้นไม้บางทีก็ถูกระหินเพื่อให้กระปีเนี่ยมันหลุดมือเพื่อให้กระปีเนี่ยมันนะไม่ติดมือบอมันมาดมและยังพบว่ากระติอะกปีนี่ยังติดมืออยู่ก็จะถูบางทีถูจนเลือดไหลมือเนี่ยนิ้วเนี่ยเป็นแผล น, นะน่าสงสารนะ แม่เลือดไหลก็ยังถูถูไปเรื่อยๆมึงทีเป็นแผลเวอวะคำถามก็คือว่าอะไรทำให้ลิงเนี่ยมีแผลอะไรทำให้ลิงเนี่ยเลือดไหลถ้าตอบว่ากัะปีที่ไม่ถูกนะที่จริงคือความเกียดกัะปีกระปีมันไม่ทำให้เลือดไหลยอยู่แล้วแต่เพราะเกลียดกะปีนี่นะมันทำให้เอามือถู กับหินจนเลือดไหลกะปิไม่ใช่ปัญหาแต่ความเจ็บกบปินี่แหละคือปัญหาถ้าฉันใดก็ฉันนั้นนะคนเราเวลาทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ใช่เพราะเสียงดังมันไม่ใช่เพราะแดดร้อนมันไม่ใช่เพราะรถติดไม่ใช่เพราะแม้กระทั่งความเจ็บป่วยแต่เป็นเพราะใจนะ ที่ไม่ชอบใจที่ผักใสใจที่รู้สึกเป็นลบ ก, กับสิ่งนั้นเสียงดังเนี่ยพอใจมันไปผักใส่เขาเนี่ยทุกเลยเนะอย่างเวลามีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมานกลางลานเนี่ยเสียงบางทีก็เสียงเพราะนะแต่พอใจเราไม่ชอบเนี่ยสังเกตนะใจเรามันจะไปผักเสียงนั้นใจมันจะไปทะเลาะกับเสียงนั้ น, นทำให้ทุกข์ มีเรื่องเล่าว่าสมัยที่หลวงพ่อชาสุพัทโทเนี่ยท่านได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมที่ประเทศเอังกฤษเมื่อประมาณสักปีที่แล้วก็มีคณะเจ้าภาพเนี่ยซึ่งเป็นชาวอังกฤษก็จัดให้ท่านพักท่านและคณะพักที่วิหารหนึ่งชื่อวิหารแฮมสเตดอยู่กลางกรุงลอนดอนตอนนั้นมีวัดไทยแล้วนะแต่ว่า เจ้าภาพเนี่ยท่านเขาก็มีวิหารของเขาก็นิมนต์ให้ท่านพักอยู่วิหารแฮมสเตดตรงข้ามวิหารเนี่ยนะมาเป็นย่านบันเทิงเรงรมมีผับมีบารนะ์กลางคืนนี่ก็จะเล่นดนตรีร้องเพลงเสียงเนี่ยก็ดังเข้ามาถึงในวิหารซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกันกนกบที่หลวงพ่อชาเนี่ย นำพาพระแล้วก็ญาติโยมนั่งสมาธิมีเย็นวันหนึ่งเนี่ยเสียงดังมากเนยพระเนี่ยแล้วก็โยมนั่งสมาธิไม่เป็นสุขเลยแต่หลวงพ่อชาที่นั่นนั่งอย่างสงบมากเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอนั่งสมาธิเสร็จนะเจ้าภาพก็มาหาท่านมาทำไมมาขอโทษนะขอโทษ นะที่เสียงดนตรีรบกวนนะทำให้นั่งสมาธิไม่ได้นุวัาชรายิ้มแล้วก็ตอบว่าโยมมันไปคิดว่าเสียงรบกวนเราที่จริงเราตังหาที่ไปรบกวนเสียงนะนะเคยสังเกตจิตใจตัวเองบ้างไหมเวลามีเสียงดังแล้วเราไม่ชอบเนี่ยหรือว่าเราเป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพราะใจเราไปทะเลาะกับเสียงนั้นใจเราไปตะอลาต่อเฉียงกับเสียงนั้น หยุดสักทีว้ยืาอทีมีเสียงดังบ่นขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะหยุดสักทีอันนี้แหละคืออาการของใจที่มันไปทะเลาะกับเสียงเพราะมีความรู้สึกไม่ชอบเสียงนั้นเป็นพืนน้นเหมือนกับลิงที่มันไม่ชอบกระปี่กระปี่มันไม่ทำอะไรมันแต่ความไม่ชอบนั่นแหละที่ทำให้มันเป็นทุกข์ อันนี้เราทุกข์เพราะใจตัวเองนะไม่ใช่ทุกข์เพราะเสียงในที่จริงมันก็ไม่ใช่เพราะเสียงเดียวนะแดด ก, ก็เหมือนกันนะแดดมันร้อนเนี่ยมันก็ทําให้แค่ร้อนกายแดดมันทําให้ใจร้อนใจเป็นทุกข์ไม่ได้นะเพราะใจเราไม่ได้โดนแดดสักหน่อยแต่ทําไมเราทุกข์ใจ น, นะเพราะใจเราไม่ชอบแดด ใจต่อล่าต่อเสียงกับแดดนะเวลาที่มากระทบกายตรงนี้แหละนะเรียกว่าทุกข์เพราะใจความเจ็บป่วยก็เหมือนกันนะความเจ็บป่วยเนี่ยแม้แต่โรคร้ายเช่นมะเร็งเนี่ยมันทําได้ยังมากก็ทําให้ปวดกายทุกข์กายแต่มันไม่ได้ทําให้ทุกข์ใจแต่ที่ทุกข์ใจเพราะอะไเพราะใจไม่ยอมรับ มีผู้คนหนึ่งนะเธอเป็นมะเร็งและมะเร็งที่เธอเป็นเนี่ยมันเป็นมะเร็งชนิดที่ไม่คยเกิดกับคนอายุ32อย่างเธอเท่าไหร่เป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะหมอก็ทีแรกก็ไม่เชื่อนะว่าเธอเป็นแต่พอได้รับผลดืนยันว่าใช่หมอก็ยังถามว่าเธอกินเธอสูบบุหรี่หรือเปล่าเธอไม่เคยสูบบุหรี่ เธอเป็นทุกข์มากนะเป็นทุกข์เพราะมะเร็งชนิดที่มันไม่น่าจะเกิดกับคนวัยและเพศอย่างเธอเธอทุกข์มากทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจแต่หลังจากที่ใคร่ครวนจิตใจของตัวหลังจากที่ได้มาปฏิบัติธรรมได้มาเจริญสติไม่ถึงปีใจเธอก็สงบ แล้วเธอก็พบสิ่งที่เธอพบนี่เธอเขียนนะไว้ในเฟซบุ๊กของเธอก่อนที่เธอเสียชีวิตว่าความจริงบางครั้งก็โหดร้ายแต่ริงที่โหดร้ายกว่าก็คือการไม่ยอมรับความจริงนะความจริงเช่นนะความเจ็บป่วยนี่คือความจริงนะมันทำให้ทุกข์กายแต่พอไม่ยอมรับนะ บนโวยวายตีโพยตีพายว่าทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นชั้นทำดีชั้นทำบุญทำกุศลมาชั้นดูแลสุขภาพดีทำไมถึงต้องเป็นชั้นพอคิดหรือบนอย่างนี้นะใจมันทุกข์เลยนะมาเรงเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ทุกข์กายมาเรงมาเรงมันไม่ทำให้ทุกข์ใจนะลองคิดดูดีๆนะมาเร็งมันไม่ได้ทำให้ทุกข์ใจมันทำให้แค่ทุกข์กายมันไม่ได้ทำให้ทุกข์ใจ จที่ทุกใจเพระใจที่มันเป็นลบใจที่รู้สึกลบรู้สึกร้ายกับมะเร็งหรือใจที่ไม่ยอมรับว่านี่คือความจริงที่เกิดขึ้นแล้วผู้หญิงคนนี้เธอก็พูดไว้ดีอย่างหนึ่งนะเธอบอกว่ามะเร็งมันมไม่ทําให้รอยยิ้มของเราหายไปนะมะเร็งมันมไม่ทําให้รอยยิ้มเราลายไปแต่ความทุกข์ใจต่งางหากนะ ที่ทำให้รอยยิ้มหายไปและทุกข์ใจเพราะอะไรนะก็อย่างที่บอกนะทุกข์ใจเพราะใจที่ไม่ยอมรับนะใจที่ผักใสกับสิ่งที่เกิดขึ้น้นะกลับมาดูดีๆนะทุกครั้งที่มีความทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ใช่เพราะนะแดดร้อนเสียงดังเพราะเจ็บป่วย ทุกใจนะเพราะความคิดและจิตใจที่วางไว้ผิดแม้แต่เวลามีคนทำร้ายเรานะคนอื่นก็ททำร้ายเราเนี่ยมันก็ทำแค่ให้ทุกกายแต่ไม่สามารถทำให้ทุกใจได้ทุกใจเพราะอะไรนะมีพระธิดาท่านหนึ่งนะท่านถูกทหารจีนเนี่ย จับกลุ้มคุมขังเมื่อ60ปีที่แล้วเนี่ยใครที่รู้ประวัติศาสตร์นิดหน่อยก็จะทราบว่าเมื่อประมาณสัก60ปีที่แล้วเนี่ยจีนเขาไปยึดครองทิเบตแล้วเขาต้องการเปลี่ยนให้คนทิเบตหัมนมานับถือาศาสนาคอมมิวนิสต์นะพระที่ไม่ยอมแม่ชีที่ไม่ยอมก็จะถูกจับกลุมคุมขังและทรมานพระที่เบตท่านนี้ก็เหมือนกันโดนจับกลุมคุมขังไป20ปีและ ถูกทรมานด้วยเมื่อถูกจับกลุ่มคบยีสปีท่านก็ได้รับการปล่อยตัวท่านก็เลยรีไพล์นะมาประเทศอินเดียประเทศอินเดียนี่ก็มีทลายลัมมะนะซึ่งเป็นเหมือนกับสังฆรังที่เบสเนี่ยท่านรีไพล์มาก่อนแล้วทลายลัมมะที่ท่านก็รู้จักกับพระที่เบสท่านนี้ชื่อกโดเดนนะ เป็นพระผู้ใหญ่พอรู้ว่าท่านลิพายมาธรรมศาลาประเทศอินเดียทาราลามาก็เข้าไปเยี่ยมพบปาสนธนามีประโยชน์ถึงท่านทาราลามาถามพระที่เบสท่านนี้เนี่ยว่าตอนที่ท่านถูกจับกุมคุมขังเนี่ยอะไรที่ท่านกลัวมากที่สุดอะไรที่ท่านกลัวมากที่สุดเรานึกภาพนะ เ, เราจะตอบว่ายัางไงถ้าเจอคําถามนี้ ท่านตอบว่าสิ่งที่ท่านกลัวมากที่สุดก็คือกลัวว่าจะโกรธและเกลียดคนที่ทรมานท่านถ้าไม่ได้กลัวทรมานนะไม่ได้กลัวถูกทรมานนะแต่กลัวว่าจะไปโกรธและเกลียดคนที่ทรมานท่านเพราะอะไรเนะีเพราะว่าถ้าท่านโกรธเกลียดเขาแล้วเนี่ยท่านก็อาจจนะเผลอคิดไม่ดีพูดไม่ดีหรือว่าทําไม่ดีซึ่งเป็นการผิดศีลนะ ท่านถือว่าการผิดศีลเนี่ยนะหรือว่าการไม่รักษาศีลเนี่ยนะมันแยก่กว่าการที่ถูกคนอื่นทรมารหรือถูกคนอื่นทำร้ายนะเพราะว่าถ้าผิดศีลแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความเดือดร้อนตามมาแต่มาจมาคิดว่าเหตุผลที่สาคัญประการนึงก็คือท่านรู้ว่าท่านตระหนักว่าทหารจีนเนี่ยนะ แม้ทรมานท่านก็ทําร้ายได้แต่ร่างกายแต่ไม่สามารถจะทําให้ท่านทุกข์ใจหรือทําร้ายจิตใจท่านได้แต่เมื่อจะตามที่ท่านปล่อยให้ความโกรธความเกลียดคล่อมกำใจนะความทุกข์ใจก็จะตามมาสำหรับพระทิ่เบสท่านานีทน้ท่านเห็นชัดเลยนะใครทําร้ายเราเนี่ยมันก็ทําร้ายได้แต่ร่างกาย แต่ทำร้ายจิตใจไม่ได้ทำให้ใจเป็นทุกข์ไม่ได้แต่ไม่อใดก็ตามที่เราปล่อยให้ความปวดความเกลียดครองใจตรงนั้นแหละนะที่ความทุกข์ใจจะเกิดขึ้นทั้งหมดนีพูดมาเพื่อที่จะชี้เห็นว่าคนรับทุกข์เนี่ยนะมันไม่ใช่เพราะสิ่งภายนอกนะไม่ใช่เพราะแดดร้อนเสียงดังคำต่อว่าด่าทอความเจ็บป่วย หรือความสูญเสียทรัพย์สินเงินทองหรือแม้แต่การถูกทำร้ายแต่เป็นเพราะใจเป็นเพราะความคิดนะที่มันคิดไม่ถูกหรือว่าวางไว้ผิดนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะกลายจากความทุกข์นะไอ้ทุกข์กายเนี่ยเราไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่หรอกนะเพราะเดี๋ยวนี้เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแม้อากาศจะร้อนนะแต่มันก็ร้อนชั่วคราว เดี๋ยวนี้หลายแห่งหลายที่เนี่ยเาก็มีพัดลมนะมันก็ทำให้เย็นกายแต่ถึงจะอยู่ในห้องแอร์นะมันก็ทุกใจได้ถ้าคิดไม่ถูกหรือว่าวางใจผิดนะอย่างที่พูดมาอันนี้เป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยตระหนักหรือมองไม่เห็นนะเวลาทุกใจเช่นเครียดโกรธกังวลเราก็จะไปโทษสิ่งอื่น ไปโทษ ค, คนนั้นคนนี้รวมทั้งคิดว่าเรายังมีเงินไม่พอเรายังรวยไม่พอเรายังไม่มีรถนะไม่มีบ้านหรือว่าถ้าเป็นเด็กก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มี iPhone ไม่มี iPad อันนั้นไม่ใช่เป็นเพราะใจแต่ถ้าระวังใจถูกนะสิ่งภายนอกก็ทำให้เราทุกข์ไม่ได้มีผูอย่างคนหนึ่งเล่า ว, ว่า วันนั้นเป็นวันเสาร์เนี่ยเหมือนกับวันนี้นะตอนบ่า ย, ายอากาศร้อนมากเธอต้องเข้าไปอยู่ในห้องเปิดแอร์เต็มที่เลยขนาดเปิดแอร์ก็ยังรู้สึกอ้าวนะก็มีความเคลื่อนเล็กน้อยแต่ว่าความเคลื่อนเนี่ยมันกลายเป็นความไม่พอใจทันทีนะเมื่อได้เสียงกลิ่น แล้วก็เสียงเรียกที่หน้าประตูบ้านเป็นเสียงเรียกของไปซนีเธอไม่พอใจเพราะอะเพราะาเธอไม่อยากออกไปรับพอจะออกไปรับก็ต้องไปเจอแดกนะออกจากห้องไปออกจากห้องแอร์ไปเจอแดดนะแม้จะเพียงชั่วทันทเธอก็ไม่ชอบไม่อยากก็แจ้งเึือนไปไม่ได้ยินแต่ว่าไปซนีบุรุไปซนีรู้นะว่ามีคนอยู่ในบ้านเพราะ เครื่องแอร์มันทำงานแล้วก็มีรถจอดอยู่ประตูข้างในบ้านก็เปิดก็เลยรอแต่ไม่ได้รอเปล่าร้องเพลงด้วยร้องเพลงรูกทุ่งนะร้องจงกันทั่งเจ้าของบ้านเนี่ยรู้ว่าต้องออกไปรับแล้วเพราะว่ายัางไงเขารอแน่ตอนจี่ออกไปรับก็อารมณ์ก็ค่อนข้างจะหงุดหงิดนะเพราะมันร้อนรับจดหมายเสร็จ เธอก็ถามบุรุษไปษณีว่าร้อนแบบนี้ยังมีอารมณ์ร้องเพลงอีกเหรอบุรุษไปษณีคนนั้นเนี่ยนะเหงื่อเนี่ยท่วมตัวเลยนะโดยเพราะาแล้วก็แต่เขาก็ยิ้มยิ้มแล้วก็พูดไว้หน่าสนใจเขาบอกว่าเนี่ยโรกร้อ น, แ ต, น, น, น, อนแต่ถ้าใจเราเย็นมันก็เย็นครับโรคร้อนแต่ถ้าใจเราเย็นมะันก็เย็นครับนะพูดเสร็จเขาก็ออกไปทำหน้าที่ต่อ แดดร้อนนะมันทำอะไรบุหลีปป่ไปสนุกนนี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าใจก่เย็นเย็นเพราะอะไรแก่ร้องเพลงเล้งร้องเพลงแล้วใจก็ผ่อนคลายแต่ว่าเราไม่เป็นต้องร้องเพลงก็ได้นะเราไม่เป็นต้องร้องเพลงก็ได้ใจถึงใจเย็นนะมันมีวิธีที่ดีกว่านั้นแล้วก็ทำได้ทุกคนทุกแห่งนะก็คือการที่เรารู้ทันความคิด รู้ทันความคิดแล้วก็รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกไว้แล้วว่าเราทุกข์เพราะความคิดนะที่จริงเนี่ยนะความคิดนี่มันยังไม่ทำอะไรเราจนกว่าเราจะไปหลงเข้าไปในความคิดนะความคิดมันก็มีประโยชน์นะถ้าเราใช้มันหรือใช้มันเป็นแต่ส่วนใหญ่พอมีความคิดเกิดขึ้นเนี่ยเช่นคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตเนี่ยนะ เราไม่รู้ทันเราหลงเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในอดีตหลงเข้าไปในภาพอนาคตที่ปรุงแต่งขึ้นมาในทางลบทางร้ายเราจึงทุกข์ไงถามว่าเราเนี่ยทุกวันเนี่ยเรารู้ทันความคิดแค่ไหนเรารู้ทันอารมณ์แค่ไหนนะเราได้เราเก่งคิดนะเราคิดเก่งมากเลยคนสมัยนี้คิดเก่งมาก แต่พอให้ความคิดที่มันเล่นงานเราพอให้ความคิดมันเล่นงานเราเพราะอะไรเพราะว่าเราหลงเข้าไปในความคิดแต่ถ้าเราฝึกจนสามารถจะรู้ทันความคิดได้เนี่ยความคิดมันเกิดขึ้นก็ช่างมันแต่มันทำอะไรเราไม่ได้ที่เรามาเจริญสติกันเนี่ยนะไม่ใช่เพื่อเอาบุญนะโดยที่เมื่อบุญเนี่ยคืออะไร เรามาเจริญสติเพื่อที่เราจะได้ฝึกนะให้รู้ทันความคิดได้ไวขึ้นหลายคนไปเข้าใจว่าการทํากรรมฐานเนี่ยนะจุดมุ่งหมายคือไปควบคุมความคิดเพื่อทําให้มันหยุดคิดนะอันนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกนะเพราะว่าความคิดเนี่ยเราคุมมันได้ยากมาก และการที่ไปไปบังคับไปสกัดกั้นไปข่มไปกดมันเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิธีการที่ดีหลายคนเนี่ยเวลาภาวนานะก็พยายามกดข่มด้วยการคุมความคิดให้เพ่งอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่ท้องอยู่ที่เท้า ไอตอนทำก็สงบนะเพราะว่าใจมันไม่คิดอะไรแต่บางคนก็ไม่สงบนะเพราะว่ามันมีแรงต้านใจมันก็จะมันก็จะสู้เนี่ยเพราะเป็นธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างพอกดพอมันถูกกดมันก็จะเกิดแรงต้านพอไปกดความคิดไปห้ามความคิดไปบังคับจิตจิมันก็ต่อสู้ ก็ทำให้เกิดความหงุดหงิดนะบางคนจิตยิ่งฟุ้งเข้าไปใหญ่เลยพอยิ่งไปกดไปห้ามความคิดมันก็ยิ่งยิ่งคิดยิ่งฟุง้งนะแต่สมมุติว่าสามารถที่จะบังคับให้มันหยุดคิดได้ชั่วคราวนะมันไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าใจเนี่ยเป็นไปอยู่กับลมหายใจใจไปอยู่กับท้องใจไปอยู่กับ ใจก็สมบได้แต่พอเลิกปฏิบัติออกไปเจอออกไปเจอเสียงออกไปเจอแสงออกไปเจอภาพไปเจอผู้คนเนี่ยหลายคนนะจะมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นได้ง่ายมีผู้ชายคนหนึ่งไปนะเข้าคอร์สหนึ่งวันนะก็ไปนั่งปฏิบัติ อยู่ในศาลาซึ่งก็ติดแอรแล้วก็มีการคุมเสียงเสียงจากภายนอกก็ไม่ค่อยดังมารบกวนอย่างที่วิหารแฮมสเตดของหลวงพ่อสุอสหลวงพ่อชาตอนที่แกปฏิบัติเนี่ยนะแกก็สงบมากพอเลิกปฏิบัติกลับบ้านประมาณ5โมงเย็นแกก็เดินไปที่รถ ซึ่งจอดเอาไว้แต่พอเห็นรถเนี่ยของตัวเนี่ยมันออกไม่ได้เพราะว่ามีรถอีกคันจอดซ้อนแล้วโกรธมากเลยนยะถึงกับหลุดปากด่าว่าเจ้าของรถคันนั้นว่ามาจอดตรงนั้นได้ยังไงแล้วก็มีคำหยาบคายออกมาคนที่เห็นเหตุการณ์นี้เขาตกใจเลยนะว่เ้ยนี่พึ่งนั่งสมาธิมายกหยกนะทำไม จึงมีอารมณ์รุนแรงแบบนั้นทำไมถึงพูดนะหยาบคายแบบนั้นอันนี้เป็นปัญหาของนักปฏิบัติหลายคนนะเมื่อเมื่อสองสามก่อนธรรมะก็สนทนากับพระรูปหนึ่งซึ่งมาบวชใหม่แกก็ใช้วิธีการกดข่มนะใช้วิธีการเพ่งแต่พอเลิกปฏิบัติเนี่ย จิตก็จะวา้าวุ่นได้ง่ายจิตก็จะฟุ้งซ่านได้ง่ายแล้วก็ขุ่นเคืองได้ง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอการเพลงเนี่ยมันทำให้จิตของเราเนี่ยมันไปอยู่กับอารมณ์อารมณ์ในที่นี่คือสิ่งที่จิตจดจ่ออยู่เนี่ยมันเป็นอารมณ์กลางๆเช่นลมหายใจนะหรือว่าท้องหรือว่าเท้าอารมณ์นี่มันเป็นอารมณ์กลางๆไม่บวกไม่ลบแต่พอไปเจอ นะเจอสิ่งแวาล้อมเจอผู้คนเนี่ยมันก็ยังมีทั้งอารมณ์ที่บุเป็นบวกและเป็นลบเช่นเสียงดังแดดร้อนคนทำตัวไม่น่ารักหรือว่าเจอคนเห็นแค่ตัวหรือเจอสิ่งที่มันไม่ถูกใจถ้าไม่ได้ฝึกให้รู้ทันนะอ้ถ้าไม่ได้ฝึกให้รู้ทันใจหรือความคิดเนี่ยพอใจมันกรเพื่อมขึ้นมาเนี่ยความโกรธความกังวล มันจะเล่นงานจิตใจเข้ามาทันทนะีอย่างพระรูปนี้เนี่ยท่านก็เล่าว่าเนี่ยที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างเนี่ยเวลาโพสข้อความขึ้นเฟซบุ๊กแล้วคนที่เคยกดไลค์เขาไม่กดคราวนี้นะแกจะทุกข์เลยนะว่าเขาไม่พอใจเราหรือเปล่าเราทำอะไรไม่ถูกใจเขาไหมเนี่ยอันนี้คือความคิดปรุงแต่งนะ ความจริงเป็นยังไงแลไม่รู้แต่คิดปรุงแต่งไปในทางลบทางร้ายแล้วก็ไม่รู้ทันความคิดนั้นมันก็เลยทุกเนี่ยมันก็เป็นธรรมดานะที่คนเราจะมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นแต่ถ้ารู้ทันรู้ทันมันวางได้รู้ทันเนี่ยมันทำให้ให้ความคิดปรุงแต่งมันหายไปมันหายไปเองนะไม่ใช่ไปกดข่มมันเอาไว้หรือผู้อย่างคือว่าทําให้ทําให้ปล่อยวางความคิดนั้นได้ หรือทำให้ความคิดมันเป็นกลางทําให้ใจมันเป็นกลางต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นแดดร้อนเสียงดังใจมันโวยวายก็โวยมันโวยวายทีโวยทีพาพอเราเห็นใจที่มันบ่นโวยวายที่โวยทีาให้มันสงบเลยนะมันสงบมันจะเป็นกลางพอเป็นกลางเนี่ยนะความหงุดหงิดก็ไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วก็หายไปนั่นคือความสงบที่เกิดขึ้นได้ท่ามกลางสิ่งว่าร้อมที่ดังหรือว่า เป็นความสงบที่เกิดขึ้นได้ไม้แดดจะร้อนนะแม้คนจะพลุกพล่า น, น <c oughs> เราต้องรู้จักนะกับความสงบชนิดนี้บ้าง <c oughs> สงบไม่ใช่เพราะไม่รู้ไม่เห็นไม่ใช่เพราะปิดตาไม่ใช่เพราะอุดหูไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเก็บตัวอยู่ในห้องพระหรือไม่ใช่เพราะหลีกเล่นไปอยู่ป่าอันนี้เราสงบเพราะไม่รู้หรือว่าตัดการรับรู้ มันก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าอย่าให้รู้จักกับความสงบอีกว่าเพศในความสงบเพราะรู้หรือสมบทั้งทั้งที่รู้หมายความว่าทั้งทั้งที่ได้ยินทั้งทั้งที่ได้เห็นทั้งทั้งที่มีอะไรมากระทบนะแต่ใจก็สงบได้เพราะอะไรเพราะรู้ทันความคิดรู้ทันความคิดรู้ทันจิตที่มันกระเพื่อมนะและรู้แล้วมันก็จะวางใครพูดไม่ใครพูดไม่เพราะมากระทบหู ใจกับเพื่มเกิดความโกรธพอมีสติรู้ทันนะมันหายไปเองหลายคนจะใช้วิธีกดข่มนะพอโกรธที่ก็กดข่มเอาไว้ซึ่งมันก็ดีนะเพราะมันทำให้ไม่พูดออกไปไ ม, ไม่ไม่วยวายออกไปหรือไม่ไปทําร้ายข้าวของซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมายแต่ว่ามันได้ผลชั่วคราวหรือว่ามันมันดีชั่วคราว เราต้องรู้จักที่จะรู้ทันเวลาโกรธความโกรธเกิดขึ้นอันนี้เป็นศิล ป, ปะนะในการรับมือกับความโกรธหรืออารมณ์อกุศลเคยมีคนถามลูกปู่ดูนาตุโลลูกปู่ดูวตุโลนี่ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นลู ก, กแกงนะก่อนหลวงตา ม, มหาบัวสนะิท่านมาแลนด์ผ้าไปยี่สิกว่าปีแล้วสาสิปีแล้วคนก็เชืวว่อท่านเป็นพระอระหันต์นี่เขาเนมีคนถามท่านว่า หลวงปู่ทำไงจะตัดความโกรธให้ขาดท่านตอบว่าไม่มีใครทำได้หรอกมีแต่รู้ทันมันเมื่อรู้ทันมันก็ดับไปเองอเพอะฉะนั้นเวลาเรามาปฏิบัติเนี่ยนะก็อย่าลืมนะปฏิบัติแล้วเนี่ยก็ต้องฝึกให้ใจเรารู้ทันนะความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้น พอรู้ทันมันแล้วเนี่ยนะมันก็จะไม่มารบกวนจิตใจนะแล้วก็การรู้ทันเนี่ยนะมันไม่ใช่ไ้ต้องมาฝึกจากการปฏิบัติเจวันอย่างเดียวนะในชีวิตประจำวันของเราเราก็ฝึกได้ด้วยการนะหมั่นสังเกตจิตใจของตัวแต่ไม่ได้สังเกตตลอดเวลาในความหมายที่ว่าไปเพ่งมองข้างในนะ อันนี้อาจจะบางที่อันตรายนะเช่นขับรถอยู่เนี่ยนะแทนที่จะมองไปมองถนนข้างหน้านี่กลับมาดูใจเนี่ยนะไปดูใจแบบที่ตั้งใจแบบ น, นั้นเะนี่ยนะมันอันตรายนะเพราะว่าขับรถเนี่ยมันก็ต้องมองถนนมองคนข้างหน้าว่าเขาข้ามถนนหรือเปล่าถ้ามาคอยจ้องมองจิตใจเนี่ยว่าอารมณ์ความคิดเป็นยังไงนี่เดี๋ยวเกิดปัญหาเนาะแต่ว่าเราฝึกได้จากการที่เราเจริญสติในชีวิตประจําวัน นะเวลาเราทำอะไรตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันนะใจก็รู้สึกตัวนะรู้สึกตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่เวลาจมันเผยคิดไปว่าเดี๋ยวจะต้องทำอาหารอะไรให้ลูกกินเดี๋ยวว่าวันนี้จะต้องมีประชุมอะไรนะขณะที่กำลังถูฟันขณะที่กำลังอาบน้ำนี่ก็ให้รู้ทันนะให้มันเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยไปรู้ทันนะไม่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นก็ไปดักจ้องมัน เหมือนกับเวลาเราขับรถเราไปดักจ้องความคิดว่ามันมีผุดโผล่ขึ้นมาไหมไม่ใช่ให้มันออกมาก่อนนะเวลาน้ําถูฟันกินข้าวทําครัวเนี่ยบางทีมันมีความคิดเกิดขึ้นที่จริงไม่ใช่บังเทีแต่บ่อยครั้งเลยก็เกิดขึ้นนะก็รู้ทันมันนะรู้แล้วก็วางให้ใจกลับมาอยู่กันเนื้อกับตัวให้ใจมารับรู้การกระทําขณะนั้นๆเรียกว่าทําอะไรใจก็รู้สึกนะ อันนี้บางทีก็เรียกว่ารู้กายเคลื่อนไหวเพราะส่วนใหญ่ที่เราทำเนี่ยเราใช้กายทําเช่นอาบน้ําถูควันกินข้าวเก็บที่นอนหรือว่าทําครัวซักผ้าเราใช้กายทำนะใจก็รู้สึกนะะอันนี้ก็เรียกว่ารู้กายเคลื่อนไหว้หเวลาใจมันคิดนึกอะไรไปเนี่ระหว่างที่ทํานั่นทํานี่ก็ให้รู้ทันนะเรียกว่ารู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกนะ เราทำางี้ในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจนเข้านอนนะไม่ว่าทำอะไรใจก็รับรู้เวลาเจออะไรนะก็ให้สังเกตรหรือรู้ทันใจที่มันกระเพื่อมนะไม่ว่าจะเจอสิ่งดีที่ทำให้ใจฟูสิ่งร้ายทำให้ใจแทรคนเราเนี่ยตื่นนอนขึ้นมาหรือทั้งชีวิตเนี่ยนะเราก็ทำอยู่สองอย่างนะ มันก็มีสิ่ง่สองอย่างที่เกิดขึ้นกับเราคือหนึ่งทำสองเจอนะทำนี่หมายถึงว่าเราเจตนาทำนั่นทำนี่ส่วนเจอเนี่ยเราไม่ได้เจตนาก็มีแต่ว่ามันมาเองนะเช่นแดดร้อนเสียงดังคำต่อว่าด่าทอหรือบางทีก็เป็นคำบวกนะคำชื่นชมสารเสิรินก็ให้มีสติรู้ทันเวลาใจมันกับเพื่อมขึ้นมาแต่ถ้าใจไม่กระเพื่อม ใจสงบนะก็ให้รู้กายไปนะผูดง่ายคือว่ารู้กายเคลื่อนไหวเมื่อทำกิจรู้ใจคิดนึกเมื่อเจอผัสสะนะทำสองอย่างเนี่ยนะในชีวิตประจาวันเราเนี่ยมื่อททำให้เราเนี่ยเวลาทำอะไรเราก็ทำด้วยความสึกตัวใจก็สงบเวลาเจออะไรมากระทบนะใจก็ไม่กระเพื่อม สังเกตใจอเราอยู่เสมอนะเวลามันจะขึ้นก็ดีจะลงก็ดีและอย่างนี้เนี่ยนะมันทำได้ตลอดเวลาและแม่แต่เด็กก็ทำได้พนระอาจารย์ประสงค์ปริปุโนโนนะท่านเล่าว่าเคยไปเจอเด็กคนนึงอายุดขวบนะเป็นผู้หญิงเด็กคนนี้ก็ผู้จาเรียกว่าฉลาดทีเดียวนะรู้จักคิด8ขวบเท่านั้นนะ คุยกันเสร็จพระอาจารย์ประสงค์ก็บอกว่าหนูเป็นเด็กฉลาดเด็กดีหลวงพ่อจะให้รางวัลหนูว่าแล้วก็ดึงรูปประคำออกมาจากย่ามเด็กพอเห็นรูปกระคำเนีเด็กก็ร้องอูฮูพระอาจารย์ประสงค์ก็ถามวานาทีหนูร้องอูฮูหนูเห็นอะไรนะเด็กตอบว่ายังไงเด็กตอบว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจค่ะเนี่ยข้างในมันดีใจ พวเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเวลาดีใจเคยเห็นข้างในมันดีใจนะมันมีแต่ความสึว่ฉันดีใจฉันดีใจเด็กคนนี้ไม่ได้ตอว่าฉันดีใจเด็กคนี้ก็ว่าดูเห็นข้างในมันดีใจเมื่อาจารย์ประสงค์ถามต่อบว่าแล้วหนูทําังไงกับมันเด็กก็ตอบ่าหนูไม้ทำอะไรกํามันขันหนูก็ใช่ดูมันเฉยเฉยตอนนี้ข้างในมันสงบลงละความดีใจมันลดลงละอันนี้แหละที่ สิ่งที่เด็กคนนี้ทำาคือรู้ใจคิดนึกนะรวมทั้งอารมณ์เมื่อมันเกิดขึ้นด้วยอย่างเวลาโยมนะเจออะไรขึ้นมาเนี่ยนะกระทบทางตาทางหูนะทางลิ้นหรือว่าทางกายก็ดีเนี่ยปกติลัชใจมันก็จะขึ้นหรือไม่ก็ลงมีเป็นกลางกลางบ้างก็น้อยส่วนใหญ่ก็ขึ้นหรือลงพอใจไม่พอใจ ดีใจไม่ดีใจมังสังเกตเอาไว้และถ้ามันเป็นความไม่ดีใจนะเป็นความทุกข์ความโกรธเนี่ยทันทีที่เราสังเกตเห็นมันนะมันก็จะสงบไปอารมณ์พวกนี้เนี่ยมันแพ้นะมันมีจุดอ่อนที่ว่าถ้าถูกรู้ถูกเห็นเมื่อไหร่มันจะมันจะฝ่อลงไปเลยไอความโกรธซึ่งมันมีอุบายเล่นงานเรามากมายหลายแห่งหลายอย่างมันหลอกเราให้ โกรนั่นโกรธนี่มันหลอกเราให้ทำร้ายนะคนที่เรารักหรือแม้กระทั่งทำร้ายข้าวของแต่มันมีจุดอ่อนตรงที่ว่ามันกลัวถูกรู้ถูกเห็นคือพอเห็นหรือรู้ด้วยสติเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะฝ่อลงไปเลยเห้นการเจริสติจึงเป็นสิ่งสำคัญถ้าเราถ้าเรามีสตินะอะไรเกิดขึ้นกับเราหรือเราเจออะไรก็ตามเนี่ยเราใช้ประโยชน์จากมันได้เลยนะ แต่เดิมเนี่ยเวลาเจอคําต่อว่าด่าทอเนี่ยเจอแล้วเนี่ยมันกระทบหูทิไลเนี่ยเจ็บปวดทุกทีเลยเนะเจ็บปวดทุกทีแต่ต่อไปถ้าเรามีสติรู้ทันนะนอกจากเราจะไม่ทุกข์เพราะมันแล้วนะยังใช้ประโยชน์จากมันได้ใช้ประโยชน์ยังไงนะใช้ประโยชน์เพื่อฝึกความเข้มแข็งฝึกขันติหรือว่าฝึกเพื่อลด ล, กลักกิเลยก็ได้มีเจ้าของเมืองโบราณ น, นะ อดีตดีกว่านะเพราะเสียช่วยไปนานแล้วคุณเล็กวิริยพันธ์เคยพูดว่าวันไหนไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นอภปมงคลนะวันไหนถูกตำหนิวันนั้นไม่ใช่วันซวยนะวันนั้นเป็นวันมงคลเพราะว่าคุณเล็กมี่เขารู้จักเอาความตำหนิมาใช้ประโยชน์เหมือนกับเป็นแสงสว่างาศาสองให้เห็นว่าตัวเองนีมีข้อบกพร่องตรงไหนที่ควรแก้ไขหรือใช้คาตำหนินั้นเพื่อลดกิเลส นะเอาไว้ปรับปรามทิฐิมานะนะที่มันอาจจะกำเริบนะเพราะว่าคนรวยคนที่เป็นเจ้านายบางครั้งก็อาจจะหลงตัวลืมตัวว่าตัวเองเก่งแต่ถ้าถูกตำหนิบ้างก็จะรู้สึกว่าเออเราเป็นคนธรรมดาที่มีผิดมีพลาดได้มันจะเกิดความอ่อนน้อมถ่อมตนและกิเลสเบาบาง ที่วัดทำกลองเพนนะมีสมัยที่หลวงปู่ขาวยังมีชีวิต อ, อยู่นะมีแม่ชีคนนึงนะชื่อแม่ชีสาแม่ชีสานี่อุปถาพพระเนรดีมากแล้วก็ปฏิบัติดีด้วยนะอาจจะเป็นเพราะว่าระหว่างที่อุปถาพพระเนนก็ปฏิบัติไปในตัวด้วยเรียกว่าทําประโยชน์ท่านและประโยชน์ตนไปพร้อมๆกันนะทําได้นะบางคนก็ทําครัวไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติ จเจริญสติภาวนาไปด้วยนี้เราทำประโยชน์ท่านประโยชน์ตนมีบางท่านมีในสมัยพุทธการนี่พิสุนีบางท่านนี่บรรลุธรรมในครัวนะพระนางโสนาเนี่ยพระนางโสนาเป็นมเป็นไม่เป็นพระนาเป็นพิสุนีโสนาเถรีท่านบรรลุธรรมในครัวนะเป็นพระรหัตในสมัยพุทธการแม่ชีสาเนี่ยเป็นเป็นแม่ชีที่ปฏิบัติดี แต่จู่ๆวันนึ่งเนี่ยหลวงปู่ขาวก็สั่งให้พระสองรูปรูปนั่นคือพระอาจารย์จวนกุลเชษโถสั่งไปทําอะไรสั่งให้ไปดา่าแม่ชีสาทั้งสองนั่นก็อาจคงจะงงนะว่าครูบาอาจารย์สั่งแบบนี้ทําไมแต่ว่าในเมื่อหลวงปู่ขาวส่งก็ต้องทําตามไปที่กุฏิหลวงปู่แม่ชีสาเรียกแม่ชีสามาแล้วก็ด่าเลย แม่ชีสาที่แรกก็งงนะแต่ว่าตั้งสติได้ก็พนมมือฟังอย่างสงบทั้งสองรูปนั้นพัด ก, กันด่าจนไม่รู้จะด่าอะไรแล้วนะก็หยุดแม่ชีษานี่แทนที่จะโกรธหรือแทนที่จะน้อยใจว่าทําไมครูบาอาจารย์ว่าเราเราสาทําความดีทําไมครูบาอาจารย์ไม่เห็นความดีของเราและถ้าเรื่องนี้มันคนหนึ่งเขารู้เนี่ยเขาจะมองเราอย่างไรจะรู้สึกอับอายขายหน้า ไม่รู้จะไปสู้หน้าใครเนะ่ยแม่ชีสามไม่มีความลูกคิดหรือความรู้สึกแบบนี้เลยนะไม่โกรธไม่ไนเน้อเนื้อตัใจกลับพูดขึ้นมาว่าท่านอาจารย์ดูดาว่าดิฉันเสร็จแล้วเหรอดิฉันฟังแล้วซาบซึ้งใจเหลือเกินเสียงที่พูดมาเนี่ยเสียงด่าทั้งหมดนี่เป็นเสียงธรรมะทั้งนั้นเลยเข้าหน้านิมนต์ด่าว่าใหม่นะ มันจะได้กิเลสจะได้หมดสักทีธรรมดาคนรานี่ไม่ชอบนะคำด่าว่าหรือคำดุด่าเนี่ยแต่ถ้าคนฉลาดเนี่ยเขาก็รู้ว่าของคนนี้ห้ามไม่ได้แม้แต่ผู้จ้าเนี่ยก็ก็ประสบมาแล้วแล้วก็เจอหนักด้วยนะถึงกับถึงข้างใส่ร้ายว่าฆ่าคนใ น, เ, นเมื่อมันสิ่งที่ห้ามไม่ได้ เราก็ต้องรู้จักวางใจให้ถูกและการวางใจอย่างหนึ่งก็คือนอกจากเห็นว่ามันเป็นธรรมดาแล้วนะก็ต้องรู้จักดูใจเวลามันกระเพื่อมเวลามันทุกข์เวลามันโกรธเวลามันน้อยเนื้อต่ใจถ้ารู้ทันมาแล้วเนี่ยใจสงบนะปัญญามจะเกิดก็จะเห็นประโยชน์ของคำต่อว่าด่าทอว่ามันก็เอามาใช้ขูดกิเลสใช้ขูดอัตตาลดละมานะทิฏฐิได้ ก็กายเป็นว่าเจออะไรก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเรียกว่ารู้จักใช้ประโยชน์จากทุกอย่าง <c oughs> ก็ตรงกับที่ผู้เจ้าได้สอนพระนันทิยะเนี่ยซึ่งต่อมาเป็นพระอาหารหันต์ผู้เจ้าสอนพระนันทิยะว่าผู้ที่รู้จักเอาประโยชน์หรือหาประโยชน์จากอิทธารมและอนิถารมพร ะ, ผ, พระผู้มีพระภาคเจ้าสารสวนผู้นั้นว่าเป็นบัณฑิต อิทธารมก็คือรูปร่กลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจนะรวมทั้งคําสารเสริญความสําเร็จเงินทองราษฎร์ ก, กาละอั น, นิทธารมก็คือรูปร่ากลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจเช่นคําต่อว่าด่าทอความล้มเหลวความเจ็บป่วยความสูญเสียพวกนี้มีประโยชน์นะครูอาจาจึงตรัสว่าเนี่ยถ้าใครรู้จะหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้เลยเพราะอั น, นิทธารม์เนี่ย พระผู้มีพระภาคเจ้าสารเสวนผู้นั้นเป็นบัณฑิตนะว่าเราทุกคนจะที่นี่เป็นบัณฑิตได้นะถ้าว่าเรารู้จักหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ซึ่งจะทําซึ่งจะหาประโยชน์จากอิทธาอิทธารมณ์นัอิทธารมณ์มได้เนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากการที่มีสติรู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นและพระรู้ทันนั่นแหละนะไอความทุกข์ใจในที่จะเกิดขึ้นได้ยากการบาใช้เวลาพอสมควรนะ ก็คิดว่าถึงเวลานะที่จะต้องยุติการบรรยายนะก็ขออ้างคุณพระเสวรัตนท์ไตรและคุณงามความดีเพื่อที่พวกเราทุกคนได้บําเพ็ญในที่นี้เพืเป็นพระปัจจัยอาํานวยให้มีความสุขมีอายุวันนะัสสุขภะละเพื่อเป็นพระปัจจัยในการทําความดีงามให้ถึงพร้อมด้วยทางสิงนภาวนาขอให้บังเกิดปัญญาพาตัวออกจากความทุกข์เข้าถึงความสุขอันกเกษม มีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเทิน